บทที่ยี่สิบหกเงินส ก, กปรกเยนนั้นจองเลิก ม, มาสอนนัชเลตามปกติแต่ไม่ได้มามือเปล่าเขาพกโน้ตบุ๊กยี่ห้อแพงรุ่นล่าสุดมาด้วยขนาดเล็กแต่ดีไซน์สวยเก๋สะดุดตาของมันทำให้ตาณชเลเป็นประกายแพรวโหซื้อใหม่เหรอเด็กหนุ่มวางบนโต๊ะเสียบปลั๊กและเปิดเครื่องจอซูเปอร์ VGA ให้แสงแรงเจิดจ้าสีสันคมชัดสมจริง กับทั้งมีความเนียนนิ่งเหมือนภาพวาดบนแผ่นกระจกที่มีนีออนฉายอยู่เบื้องหลังมากกว่าจะเป็นการแสดงผลแบบดิจิตอลธรรมดาเหมือนเครื่องประดับมากกว่าอุปกรณ์ใช้งานใช่ไหมล่ะอืมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีน่าตื่นตาตื่นใจจริงๆเท่าไหร่เนี่ยแสนกว่ายังแพงอยู่เนาะถ้าลดลงมาเหลือสักสอง 0,000 ื่นค่อยน่าซื้อหน่อยไม่ต้องรอให้เหลือสองมื่นหรอกนี่คือสมบัติของทร เว้นวักยิ้มพรายเครื่องเก่านั้นยกให้ฝนเขาไปใช้คนเดียวก็แล้วกันเครื่องใหม่นี้ทั้งกระทักรัดทั้งเบาพอที่ซายจะพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกเราใส่โปรแกรมดีๆที่ซายน่าจะชอบไว้เยอะด้วยฟังแฟนหนุ่มเบื้องแรกนัชะเลยังจับจ้องโน้ตบุ๊กด้วยแววตื่นเต้นยินดีสยายยิ้มเห็นไรมุก ข, ขาวแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาริมฝีปากที่แย้มกว้างนั้น ก็ค่อยๆหดลงจนเหลือเพียงยิ้มกล่อยไม่ถูกใจเหรอจ้องเริกจับสังเกตอยู่นึกว่าแฟนสาวจะแสดงอาการลิงโลดหรือขอบคุณเขาด้วยคำพูดประกอบสายตาหวานฉ่ำแต่กลับกลายเป็นอาการครุ่นคิดกังวลไปเสียได้ขอบใจนะาเริกรุ่นนี้ถูกใจสายมากเคยเดินผ่านๆก็แวะมองด้วยความชื่นชมอยู่เหมือนกันนั่นสิแล้วทาไมถึงทาหน้าชอบก้นนั้นละ่ะคือเด็กสาวไม่ทราบจะเอื่อเอ่ยอย่างไรดี มันแพงไปเดี๋ยวแม่ว่าพูโทโธคิดมากหน้านี่เพิ่งมีเวลาคิดสองสามวินาทีเองยังไม่ทันมากหรอกเธอมาสอนสายเสียทั้งเวลาใช้ทั้งกำลังกายกำลังใจแล้วยังต้องมีแถมเสียเงินอีกต่างหากรู้ถึงไหนสายถูกประนามถึงนั่นจองเริกหัวเราะพยายามขยันขยอจริงจังด้วยนึกว่าในที่สุดแฟนสาวจะต้องรับ ถือเป็นรางวัลสำหรับนักเรียนที่ขยันขันแข็งมีความกระตือรือร้อนเสมอต้นเสมอปลายถูกใจครูก็แล้วกันโน้ตบุ๊กตัวเดิมของทายมันเก่าเกินไปแล้วช้าก็ช้าหน่วยความจำก็น้อยจอเริ่มมีจุดบอดด้วยสมควรหาเครื่องใหม่มาใช้สัทีถ้าเริกว่ามันไม่ดีไว้ทายจะขอเครื่องใหม่จากพ่อแม่เองแล้วกันนะจองเริกชักเพืองเพราะเริ่มสัมผัสว่าแฟนสาวตั้งท่าจะปฏิเสธจริงๆ เครื่องนี้ให้ทายไงเราซื้อมาแล้วรู้ไหมใช้เวลาเดินเลือกนานขนาดไหนทําไมถึงพูดให้เสียน้ําใจกันอย่างนี้ล่ะนัชเลออัอึ้องก่อนตัดสินใจตอบตามตรงถ้าเลิกซื้อเครื่องนี้ด้วยเงินบริสุทธิ์ทายคงนึกขอบคุณแต่นี่หล่อนพูดค้างไว้เพียงเท่านั้นจองเลิกก็เข้าใจและคอตกปิดปากเงียบกริบเลิกเซ้าซี้ในบัตรดลเด็กสาวเหลือบแลคนรักแล้วรู้สึกสงสารพยายามคิด คำพูดปลอบหรือหาทางให้เขาเข้าใจคิดไปคิดมาก็เห็นว่าความในใจอันจริงแท้นั่นแหละเหมาะสุดเริกซายขอสารภาพอะไรอย่างหนึ่งที่น่าละอายเธอฟังแล้วคงเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมซายถึงปฏิเสธได้ผลจ้องเริกตะวัดสายตาขึ้นมองแฟนสาวทันทีมีอะไรเหรอวันที่ซายรู้ว่าเริก ม, มีเงินพันล้านซายคิดยังไง ร, รู้ไหมเด็กหนุ่มกระพริบตาถี่ๆ นึกทบทวนท่าทีของนัชเลในบ้านพ่อหมออุปการะรวมทั้งที่มาคุยกันต่อระหว่างอาหารกลางวันแล้วตอบว่าสายอยากให้เราเอาเงินไปคืนเจ้าของนะซีแต่บอกแล้วไงว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเอาเงินใครมาบ้างนัชเลสายหน้าแช่มช้าตอนเลิกบอกแผนการใช้เงินให้พ่อหมอฟังว่าพอเข้ามาหาลัยแล้วจะขับเบ้นไปเรียน ทายอยากขอให้เลิกซื้อให้ทายสักคันหนึ่งและความคิดทำนองนั้นก็วนเวียนอยู่ในหัวอีกหลายวันเด็กหนุ่มดึงกายตั้งตรงยิ้มร่าเลิกคิ้วมองสาวสวยผู้แสนดีด้วยสายตาคาดไม่ถึงแต่ก็ไม่ขนาดตกตะลึงจัง ง, งังเพราะอย่างไรนัชเลก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งหาใช่ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสมาแต่ไหนขอแต่ท า, ายบอกคาเดียวอย่าว่าแต่เบ้นเลยณชเลใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลาง และริมฝีปากแฟนหนุ่มแผ่วเบาเป็นการห้ามคำก่อนจบอย่าพูดให้ทายหวั่นไหวไหวละจองเลิกใช้สันมือปาดข้อมือคนรักออกโดยละม่อมทายยังไงเราก็ทำบาปไปแล้วเอาเงินคืนใครไม่ได้แล้วเราจะรับผลกรรมของเราเองแต่ในเมื่อเงินตกเป็นสบัติของเราก็ขอให้เราได้ใช้มันตามใจชอบเถอะและสิ่งแรกที่อยากทาก็ไม่มีอะไรเกินซื้อของให้คนที่เรารัก ทายถือว่ามันแทนคำขอบคุณก็ได้เราไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองมีชีวิตจิตใจเลยจนกระทั่งเจอทายนัชเลมองอีกฝ่ายด้วยดวงตาโศกเชื่อมเข้าใจความรู้สึกอันแสนลึกซึ้งของเขาแต่ขณะเดียวกันก็เห็นตามจริงเช่นกันว่าถ้าหลอนพยักหน้าให้กิเลสครั้งเดียวจะเท่ากับถอดสลักดานประตูออกให้กองทับความโลภกรูใสและตีเมืองมโนธรรมได้ ยังไม่อาจคาดเดาว่าเมืองจะแตกหรือจะต้านไว้เลิกทายรักเลิกนะถ้อยคำอันเปรียบเหมือนรถอมริตนั้นโจมจับดวงจิตกระทันหันจนความคิดทั้งมวลยุติลงจองเริกเพเยะปากค้างเบิกตามองแฟนสาวนิ่งเหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่นัชเลไม่ได้จบเพียงแค่คำสารภาพรักครั้งแรกเท่านั้นแต่ทายเกลียดเงินของเลิก เพราะเงินของเริกทำให้สายเกลียดตัวเองทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบกริบก่อนจองเริกจะเอ่ยได้เราเข้าใจไม่เชื่อเธอว่าเริกไม่เข้าใจและถ้าหากคนอื่นรู้เข้าก็ต้องหาว่าสายโง่ยึดถืออุดมคติบ้าบาแล้วก็ฟุ้งซ่านเหลวไหลไร้สาระเปล่าแต่สายรู้สึกว่าเงินทุจริตของเิกคือหลุมดาขนาดมะหือมาถ้าแค่สายยอมเฉียดเข้าไปใกล้มัน มันจะดูดทรายไว้ทั้งตัวและหาทางหนีออกมาไม่ได้อีกให้บอกเถอว่าเราเข้าใจเพราะตอนนี้เรายืนอยู่ตรงใจกลางหลุมดำด้วยตัวเองแล้วเด็กหนุ่มเหลือบตามองพื้นเรากลับเห็นห่วงเหวเวิ้งว้างอีกอย่างเราเริ่มเข้าใจมุมมองของทรายมากขึ้นเรื่อยๆทรายคงเห็นว่าถ้าหลงยินดีกับกรรมของใครก็แปลว่าเห็นด้วยหรือพลอยมีส่วนร่วมไปกับกรรมของคนคนนั้นถูกแล้ว เราเป็นขโมยสายไม่ควรต้องมามีส่วนกับเส้นทางของเราแม้ด้วยใจยินดีในวิธีการได้สมบัติมาแบบไม่ซื่อก็ตามนัชเล ก, ก้มหน้าเงียบความสงสารแฟนหนุ่มเริ่มทำให้ใจอ่อนเมื่อใจอ่อนก็ได้ข้ออ้างว่าควรรับของเพื่อถนอมน้ำใจกันและพอมีข้ออ้างดังกล่าวก็บังเกิดความโลภอยากได้สมบัติของเขาขึ้นมาอีกโน้ตบุ๊กตรงหน้าส่งประกายมันวาวลอตา นอนคงนั่งนอนดูหนังได้เพลินไปเลยเบนส์ ens, ในจินตนาการยิ่งเจิดจ้าเยาะยวนชวนสัมผัสหลอนจะได้ไปไหนดังใจนึกด้วยยานยนรูอลังการในไหนก็ไหนหลอนเปิดเผยให้เขารู้ความอยากที่ซ่อนเร้นลึกลับไปแล้วจะน่าเกลียดกว่าเดิมสักเพียงใดกับการก้มหน้าเฉยเป็นดุษณนีตอนเขาขยันขยอซ้ำอีกรอบเด็กสาวเห็นความใจอ่อนเพียงชู้วบของตน กลายเป็นการเปิดทางให้เงื้อมเงาพลังมืดคืบคลานมาครอบงามจิตอย่างรวดเร็วปานพายุบุแคมหลอนรู้สึกถึงแรงทยานแห่งใจที่เล่นไปหาเป้าหมายใกล้มือคือโน้ตบุ๊กตรงหน้าและรู้สึกถึงเปลวแสนสวยแห่งไฟโลภะที่ลุกโชช่วงขึ้นเป็นรูปเบนส์สปอร์ตทุกอย่างกระจ่างชัดเป็นจริงเป็นจั ง, นจงแค่เอื้อมขึ้นอยู่กับว่าหล่อนอยากคว้าหรือจะปล่อยให้หลุดมือ และภายในเวลาเพียงอึดใจเดียวนัชเลก็พบว่าใจหล่อนไม่หยุดแค่โน้ตบุ๊กกับเบ้นเสร็จแล้วความคิดของหล่อนโบยบินเตลิดไปไกลกว่านั้นทั้งแก้วแหวนแพรพันที่อยากได้แต่ไม่กล้าขอพ่อแม่ทั้งบ้านสวยในโครงการใหญ่ที่ไม่เคยอยากได้มาก่อนก็ยังอุตส่าห์มาปรากฏในมโนทวารกับเขาด้วยไหนจะนี่ที่พ่อแม่ยังแบกไว้อีกบานตะไทยถ้าครอบครัวหล่อนจะดีขึ้นก็คราวนี้แหละ ทุกสิ่งที่เคยฝันหาตลอดจนทุกสิ่งที่ยังไม่เคยฝันถึงเป็นจริงได้ดุดเนรมิต ด, ด้วยเงินในมือแฟนหนุ่มเพียงคนเดียวกระพริบตา ท, ทีเรียกสติเกิดความขัดแย้งทรมานใจที่มีอยู่หนึ่งเดียวกลับแยกเป็นสองฝ่ายโรมรันกันเองจนต้องกล้ากรืนรถขมหล่อนเป็นแค่เด็กสาววัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่ใจเต้นแรงให้กับเหยื่อล่อชิ้นโตได้ง่าย และนั่นเองทำให้ตระหนักชัดว่าต้องมีพลังเหนือมนุษย์จริงๆจึงจะสามารถปฏิเสธและเบือนหน้าหนีเงินพันล้านอย่างไม่ใหญ่ดีนี่คือการพิสูจน์ใจครั้งใหญ่ว่าหล่อนจะเลือกอย่างไรระหว่างยอมน้าลายไหลและก้มหัวเยี่ยงธาตหรือจะยืดอกเชิดหน้านีอย่างนางพญาถ้าเลือกจะเป็นคนใจแข็งไม่โอนอ่อนผ่อนตามทางลาดสุอบาย ที่พึ่งเดียวของหล่อนในยามนี้น่าจะเป็นความรู้สึกผิดถึงแม้เข้าอุตสาห์เดินเลือกซื้อด้วยน้ำใจทุ่มทนแต่น้ำใจอันล้นหลามนั้นก็ไม่อาจชะล้างคราบสกปรกบนธนบัตรที่ใช้ซื้อของให้หล่อนได้ยานของผู้รักษาศีลมาช้านานทำให้หล่อนรู้สึกถึงความสกปรกนั้นและรู้ตัวว่าจะไม่สบายใจตลอดไปกับการยอมรับของเพราะถึงแม้ไม่บาปเลยสักนิด แต่ก็มีมนทินอยู่ด้วยความรู้ว่าหล่อนรับของโจรวันนี้หล่อนใจอ่อนยอมรับของโจรอะไรจะประกันว่าวันหน้าไม่ขยบขึ้นทางโจรเสียเองตัวหล่อนเองได้ชื่อว่าดึงเข้าออกมาจากเส้นทางโจรหากรับทรัพย์ที่เขาปล้นมาไม่เท่ากับส่งเสริมให้เห็นคุณของเส้นทางเดิมหรอกหรือความคิดสุดท้ายเพียงแวบเดียวนั้นทาให้นัชเลตัดสินใจเด็ดขาดหล่อนจะใชนาทีที่มีสิทธิเลือกนี้ สร้างกรรมอันจะทำให้อยู่เหนือความเป็นคนธรรมดาเพื่อมีความสุขความปลอดภัยและความไร้กังวลเหนือคนธรรมดาทั้งหลายช่วขณะแห่งการตัดสินใจนั่นเองนันนกเฉลยพบความจริงประการหนึ่งคือไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับกรรมทางใจถึงแม้จะเหลือเชื่อปานใดก็ตามเลิกเก็บโน้ตบุ๊กไว้เถอะปลายเสียงยังสั่นไว้แต่ใจเริ่มเด็ดเดียว เด็กสาวสัมผัสถึงพลังเกินมนุษย์ที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นในตนหลอนชอบพลังชนิดนั้นพลังแห่งขันติที่สามารถชนะกิเลสอันยากจะต้านตกลงจองเริกพยักหน้าให้กับสมบัติดีไซน์น่ารักบนโต๊ะเราจะเอาไปบริจาค ก, กับใครสักคนที่เขาฝันอยากได้มันนัชเลเหลือบตามองตามเห็นโน้ตบุ๊กราคาเรือนแสนแล้วชักอะไรและกระทั่งเกิดความเสียดายจับใจขึ้นมา แต่พลังใหญ่ที่เพิ่งสามารถข่มมาหาโลภะลงได้เมื่อครู่อย่างหนักแน่นพอจะต้านกลับและกำราบใจสงบราบคาบดังเดิมในเวลาอันรวดเร็วถ้าเริกตั้งใจทำงานที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของงานได้นี่ล่อนแนะเพื่อเป็นทางออกที่ดีเพราะคิดว่าคอมพิวเตอร์ในมือของจองเิกทุกเครื่องสามารถทำคุณได้อนเนก อ, อนันต์เสมอไม่รอ จองเลิกสายหน้าเรามีคอมเยอะแยะแล้วจเจ้าเครื่องนี้เราตั้งใจเลือกมาให้เหมาะกับสายคนเดียวถ้าสายไม่เอาเราก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทําไมน้ำทะเล อ, อึกอกักก่อนเออยได้เพียงสั้นขอโทษด้วยนะจองเลิกพยักหน้าไม่เป็นไรและถ้าสายรังเกยียจเงินสุขปรกของเราจริงๆเราก็จะทิ้งมันไปให้หมดเศรษฐิหนุ่มวัยรุ่นหมายความตามที่พูดจริงๆทํารองเดียวกับคนคิดสั้นอยากฆ่าตัวตาย จากความบีบคั้นที่หนักเกินทนเขาก็คิดสั้นอยากเผาสมบัติทิ้งเพราะคนรักเดียดฉันเช่นกันนัชเลมองอีกฝ่ายนิง่งอย่างจะหยั่งใจทิ้งได้จริงๆเหรอจริงจองเริกแตะแขงหน้ามองแฟนสาวเต็มตาวันที่เราเจอทรายเราอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับทรายแต่ถ้าทรายไม่เอาจะสั่งให้เราทิ้งมันเพื่อความสบายใจก็ได้เขาอัาน้นขำไว้ไม่เผยออกไปว่า เจ็บปวดเพียงใดกับการที่หล่อนปฏิเสธของขวัญชิ้นแรกและยิ่งรู้สึกตกต่ำขนาดไหนเมื่อหล่อนแสดงเป็นในว่ารังเกียจเงินสกปรกของเขาไม่ปราบปลื้มกับวิถีทางของเขาหรืออีกในหนึ่งคืออึดอัด ก, กับการยอมรับตัวตนของเขาแต่สำหรับนัชเลเมื่อเห็นใจจริงว่าเขาทิ้งทุกสิ่งเพื่อหลอนได้มุมมองใหม่ก็เกิดขึ้นงั้นเรามาช่วยกันวางแผนทิ้งเงินพันล้านกัน เด็กสาวตั้งตัวตรงเป็นงานเป็นการแต่แทนที่จะปล่อยให้มันเป็นตัวเลขศูนย์เปล่าในธนาคารสวิสเราควรคิดอุทิศมันให้เป็นประโยชน์กับโลกเหมือนที่เคยคุยกันไว้ต่างกันหน่อยตรงที่คราวนี้เราจะมองเงินทั้งหมดเป็นของกลางของโลกจะไม่เบิกมาใช้ตราบใดที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เกื้อกูลกับโครงการทาสาธารณประโยชน์ได้จองเลกรับคาหนักแน่นและหมายความตามนั้น แล้วนั่นก็ทำให้เด็กสาวเปิดฉากใหม่เหมือนรออยู่ก่อนวันนี้สายคิดอะไรได้อย่างว่ามาเลยเด็กหนุ่มตั้งตาฟังนัชเรแกรแมแอมดคลา ด, ลาดกับการขยายความคิดริเริ่มให้ผู้มีภูมิเหนือตนรับรู้คือเท่าที่เห็นความสามารถของเริก ม, มาทั้งที่ขโมยเงินพันล้านจากอากาศได้แล้วก็แฮกอินเทอร์เน็ตได้ทั้งระบบแถมอายุเพิ่ง17ก็คงประมาณว่าเออ เธอน่าจะเป็นแฮกเกอร์มือวางอันดับหนึ่งของโลกเราคงไม่มีงานเจาะระบบไหนๆยากเกินกว่านี้อีกจองเลิกยิ้มมุมปากนิดๆอัตตาของยักษ์ใหญ่ขยายตัวขึ้นครับห้องด้วยความลำพองและยินดีที่มีใครอีกคนนอกจากตัวเขาเองได้รับรู้ความจริงนี้แถมเป็นคนที่เขารักและอยากให้ปลื้มเขาสุดๆสดเสียด้วยแต่นชเลต่อคาให้จบเธอก็ได้ชื่อว่าทาบาปกรรมหนักหนาเกินใครเหมือนกัน การทำบาปด้วยความยินดีและไม่รู้ว่านั่นเป็นบาปย่อมมีส่วนขยายผลสูงสุดให้ผลยืดเยื้อยาวนานยากจะจบสิ้นอัตราแบบยักษ์ใหญ่ลดลงเป็นเต่าหัวหดทันทีจองเริกก้มหน้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนยกเท้าขวาขึ้นมาวางบนตักเพื่ออวดพลาสเตอร์ปิดแผลให้นัชเลเห็นเราเพิ่งเหยียบเศษแก้วในห้องน้าที่บ้านแม่ทาแตกไวเก็บกวาดยังไม่หมดก็พเพออิญมีทรศัพท์ นัชเลเพ่งกลางฝ่าเท้าของเขาด้วยสายตาห่วงใยแต่ใจอดนึกขำไม่ได้ชีวิตจองเลิกช่วงนี้ช่างเต็มไปด้วยพลาสเตอร์ปิดแผลแย่จังหลอนเอ่ยแค่นั้นกลัวพูดยาวๆเดี๋ยวเผลอเจอสำเนียงขบขันก็ไม่เชิงว่าแย่เราได้อะไรจากแผลครั้งนี้พอสมควรคือมีอยู่ขนาดหนึ่งที่เราสัมผัสรู้สึกถึงการมีอยู่ของวิบากกรรมเห็นมันเป็นอะไรที่ลึกลับ และส่งกระแสรบกวนเหตุการณ์ทั้งหลายได้จริงเราไปอยู่นี่นั่นในเวลานั้นเพื่อเสวยวิบากที่เคยแกล้งคนอื่นไว้สรุปคือเรื่องนี้ทาให้เห็นว่าวิบากกรรมติดตามเราเหมือนเงาตามตัวเพื่อคอยจ้องเล่นงานหรือบีบเราโดยไม่รู้ตัวให้ต้องตกที่นั่งลําบากในโอกาสเหมาะเสมอคิดดูเดินในที่ที่ปลอดภัยมาเป็นสิปีอยู่ๆก็มีเศษแก้วโผลมาดัก ตามเท้าจึกใหญ่อย่างนี้พูดหมดเปลือกอย่างคนปรงตกนั่นแหละที่ซายกำลังพูดถึงณัชเลเอยด้วยน้ำเสียงของเพื่อนคู่คิดแต่ก็พยายามเม้มปากกลั้นหัวเราะนี่คงเป็นแรงส่งจากกระแสกรรมของเขาแทนที่เขาเดือดร้อนแล้วจะน่าสงสารกลับดูเป็นเรื่องจี้เส้นไปได้แม้สำหรับหล่อนซึ่งควรอยู่ในฐานะพรอยร้อนใจแทนโจ์มีอยู่ว่าทำไง จะเปลี่ยนความเก่งที่เคยร้ายกาจในอดีตของเธอให้กลายเป็นความเก่งที่ดีงามในปัจจุบันเพื่อก่อกรรมใหม่ที่ขานอำนาจกันได้กับกรรมเก่าเธอเป็นผู้ร้ายกลับใจทำไมไม่ลองพยายามทำให้ผู้ร้ายอื่นกลับใจตามดูบ้างเด็กหนุ่มพยักหน้านิดๆอย่างคนเข้าใจเร็วซ้ายหมายความว่าจะให้เราใช้ความสามารถแบบแฮกเกอร์ ทำให้การกลั่นแกล้งและการจุลกรรมทั้งหลายหายไปจากโลกใช่ไหมเด็กสาวผงกศรีรษะฟังดูอาจจะเป็นเรื่องหรือวิสัยที่จะทําแต่อย่างน้อยเธอก็ได้พยายามและเมื่อเพียรพยายามก็ย่อมเป็นกรรมใหม่ขึ้นมาทันทีแม้ผลสุดท้ายจะล้มเหลวหรือสําเร็จก็ตามโอเคเราจะเอาจุดนี้เป็นเป้าหมายคือพยายามทําให้การกลั่นแกล้งและการจุลกรรมไฮเทคหมดไป แล้วซายมีไอเดียเฉพาะเจาะ จ, จงอยู่ในตัวบ้างไหมว่าจะเริ่มก้าวแรกยังไงน้เลกลืนน้ำลายลงคอฝุดๆและยิ้มไม่สนิทนักก็ถ้าเป็นอย่างที่ควรเลิกน่าจะเรียนไปตามลำดับเพื่อเอาวุฒิการศึกษาระดับด็อกเตอร์มาไว้ในมือเพื่อเป็นเครดิตก่อนยอมเสียเวลาสักสิบปีใช้เงินจากอากาศนั่นแหละส่งเสียจากนั้นกออ็หาทางจัดตั้งมหาวิทยาลัยซักแห่ง ระดมคนเก่งมาช่วยกันสอนแฮกเกอร์หรือคนที่มีแนวโน้มจะเป็นแฮกเกอร์ทำให้มหาวิทยาลัยโด่งดังและมีแรงดึงดูดนักศึกษาจากทั่วโลกมาสนใจเรียนและเธอก็จะเป็นคนวางหลักสูตรที่ไม่เคยมีใครเคยวางมาก่อนรวมทั้งสอนแบบที่ทำให้ทุกคนตื่นตะลึงเหมือนอย่างที่ทำให้ทายตะลึงทึ่งมาแล้วจากนั้นก็คงมีโอกาสสอแทรกจริยธรรมให้กับนักศึกษา สายเชื่อว่าพวกเขาจะบูชาเธอและคำพูดของเธอจะมีน้ำหนักมีความศักดิ์สิทธิ์พอระหว่างฟังนัชเลขยายความคิดจองเร่ก็ซ่อนยิ้มไว้ภายในมองผู้หญิงตรงหน้าด้วยหัวใจอบอุ่นเขายินดีฟังความคิดของหล่อนเสมอทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยความเมตตาที่งดงามแม้ว่าเมตตาชนิดนั้นจะมาจากวิธีมองโลกแบบคนไม่เคยย่างเท้าออกจากเขตขาวสะอาดเลยก็ตามที พอฟังจบก็ทำหน้าใส่ใจจริงจังเหลือบตาลงต่ำเม้มปากอย่างครุ่นคิดหนักหน่วงเป็นครู่ถูกของซายนะจองเริกใช้เสียงให้เหมือนได้รับการจุดประกายจากหล่อนเปรี้ยงร่ง้งถ้าเราแสดงให้โลกรู้ว่าเราคือมือหนึ่งทุกคนก็ต้องสนใจมาเรียนกับเราและไม่ใช่แค่นั้นทุกคนน่าจะอยากฟังเจ้าแห่งปีศาจแฮกเกอร์ acker, พูดถึงแก่นชีวิตแฮกเกอร์ ตรงนั้นคงเป็นโอกาสให้เราป้อนมุมมองดีๆปลูกฝังจิตสำนึกที่งดงามให้กับพวกเขาได้มากแทนที่จะเอาวิชาไปทำชั่วก็เปลี่ยนมาช่วยกันอุดช่องโหวและประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กันให้สนุกนัชเลยืดตัวตรงยิ้มรื่นอย่างภูมิใจที่เขารับฟังและเห็นด้วยกับแนวคิดของหล่อนแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งจองเลิกทาหน้าหนักใจถึงแม้ว่าเงินเกือบ 2,000 ันล้าน จะเพียงพอกับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแต่เราก็ต้องตอบคำถามใครต่อใครให้ได้ว่าแหล่งเงินทุนมาจากไหนเงินขนาดนี้ทุกคนถามหาที่มาแน่ๆโดยเฉพาะเมื่อคิดทำโครงการใหญ่กับสาธรารณชนอย่างเช่นเปิดมหาวิทยาลัยขึ้นสักแห่งรอยยิ้มของน้ชเลเจือนลงปัญหาข้อนั้นไม่เคยอยู่ในหัวของหล่อนมา ก, ก่อนและยิ่งหอเหี่ยวลงกว่าเดิมเมื่อจองเิกเพิ่มโจทย์ใหม่แถมท้ายอีกอย่าง เท่าที่เราเคยรู้จักและคลุกคลีกับพวกแฮกเกอร์หรือคนที่มีแนวโน้มจะเป็นแฮกเกอร์เราเห็นนิสัยสามัญในพวกเขาที่เหมือนกับตัวเราเองนั่นคือเจ้าเล่ห์ดูถูกคนอื่นเห็นแก่ตัวและยึดตัวเองเป็นใหญ่ไม่เห็นหัวใครหากพวกเขามีความคิดชั่วร้ายโดยสันดานอยู่ก่อนสิ่งที่จะมาเอาจากเราก็คงแค่ความรู้หรือแนววิธีพลิกแพลงใหม่ๆเอาไปประกอบกำชั่วเมื่อไร เราพูดถึงการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในทางดีรับรองว่าเจ้าพวกนี้ต้องนึกโหหอยู่ในใจหรือไม่ก็แอ บ, บช่วยกันใช้โทรโคงโโหฮาเราลับหลังนัชเรหัวเระอ่อยๆก้มหน้ายอมรับแล้วว่าไอเดียของตนแป๊กแน่นอนจริงของเธอแต่ความคิดเริ่มต้นของทายนะ่ะจะนำเรามาถูกทางนะจุดประกายในหัวเราได้เหมือนประทัดเลยละ่ะ น่าสนใจมากว่าทํายังไงคนชั่วถึงจะเลิกคิดร้ายทํายังไงแฮกเกอร์ถึงจะเอาความฉลาดไปสร้างโลกสีขาวแทนที่ส่วนใหญ่จะสร้างโลกด้านมืดขึ้นจนเป็นหลุมดําดึงดูดแสงสว่างในจิตวิญญาณของตัวเองไปจนเกลี้ยงนี่ทําให้เราเกิดไอเดียขึ้นอย่างหนึ่งเขาเป็นฝ่ายทําให้แฟนสาวตาตื่นเกิดความอยากฟังบ้างอะไรเหรอถ้าเราทุ่มเงินอาจจะทั้งหมดที่มีและทุ่มเวลา อาจจะทั้งชีวิตที่เหลือให้กับการพิสูจน์ว่าวิบากกรรมมีจริงหรือกระทั่งพยากรณ์ได้ว่าทำอะไรแต่ละอย่างแล้วจะเกิดผลอย่างไรช่วยให้มนุษย์ทั้งหลายหายสงสัยแล้วหันมาเชื่ออย่างสนิทใจว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอย่างนี้อย่าว่าแต่เหล่าแฮกเกอร์จะไม่กล้าเกเรอารวาสอีกวันหนึ่งตีนแมวนักค้ายาตลอดจนผู้ก่อการร้ายอาจสลายตัวไปกว่าครึ่งโลกเธอจะสร้างเครื่องพยากรณ์กรรม ถูกต้องลองคิดดูสิว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามีตู้วิเศษตอบคำถามเรื่องกรรมวิบากได้อย่างพ่อหมออุปการะและไม่ใช่แค่ตู้เดียวที่ดูแลคนได้ไม่กี่สิบกี่ร้อยต่อเดือนแต่มากเป็นหมื่นเป็นแสนตู้กระจายอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งใครข้อขัดข้องเกี่ยวกับกรรมวิบากและการเวียนว่ายตายเกิดให้คนได้นับล้านต่อวันนชเลสยา ย, ยิ้มกระจ่าง ความมีศรัทธาเชื่อมั่นในฤทธิ์ของจองเลิกบันดาลปิติให้เออขึ้นล้นอกเพิ่งเข้าใจอารมณ์ผู้หญิงที่อยากทลาไปจูบแก้มผู้ชายเป็นการให้รางวัลเดี๋ยวนี้เองเป็นมนุษย์ทำอะไรก็ได้สำคัญคือคิดจะทำแค่ไหนเท่านั้นเด็กสาวยินดีอยู่ครู่หนึ่งแต่แล้วก็ทำหน้าสงสัยกรรมวิบากเป็นนามธรรมาหากมีกฎอยู่ กฎนั้นก็เหมือนข้อสมมุติที่แตะต้องไม่ได้แล้วสิ่งไหนแตะต้องไม่ได้จะเป็นไปได้หรือกับการอย่าพูดคํานั้นขอร้องจองเลิกเอาสองนิ้วแตะปากน้นเลนั่นเป็นครั้งแรกสําหรับการถือโอกาสแตะอังโดยอาศัยความคิดที่ว่าเมื่อครู่หล่อนใช้ปลายนิ้วแตะเข้าได้เขาก็ใช้ปลายนิ้วแตะหล่อนได้เช่นกันอ่านแตกต่างที่เจตนานิดหน่อยแต่ก็ถือว่ายุติธรรมแล้ว ถ้าคิดแบบแฮกเกอร์สิ่งแรกที่ต้องทำคือตัดคำว่าเป็นไปไม่ได้ทิ้งก่อนเพื่อนเด็กหนุ่มสาธยายพรางเสพสัมผัสนุ่มที่ปลายนิ้วอย่างสุดสุขจากนั้นค่อยๆ ค, คิดพยายามเอาชนะข้อจำกัดทั้งหลายทีละเปลาะจนกว่าจะทะลุทะลวงทุกข้อจำกัดเข้าถึงจุดหมายปลายทางในวันใดวันหนึ่งนัชเลมองเขาด้วยสายตารู้ทันแต่เห็นท่าทีครึ่งขาดครึ่งกล้าที่ได้แตะหล่อนเป็นครั้งแรกแล้ว ทำให้ตัดสินใจเฉยอย่างรอดูว่าเขาจะทำอะไรต่อกระทั่งจองเริกถอนนิ้วจากริมฝีปากหลอนไปเองไม่กล้าล่วงเกินมากกว่านั้นท่าทางมือสั่นน้อ ย, อยเหมือนกลัวโดนหลอนว่าเอาด้วยซ้ำนั่นทำให้เด็กสาวยิ้มนิดนิดพอเลิกบอกว่าจะทำอะไรสายก็เชื่อไปตั้งครึ่งแล้วว่าต้องสาเร็จนัชเลหมายความตามนั้นเสถีพันล้านที่มีสมองนักวิจัยเป็นของตัวเองนะ่ะท่าแขนแดดร้อน อาจคิดหาวิธีดับดวงอาทิตย์ก็ยังไว้ที่ทักไปเมื่อกี้เป็นคำถามเป็นข้อสงสัยอยากให้ช่วยอธิบายหลักการต่างหากทรายไปตัดสินเสียเมื่อไหร่ว่าโครงการของเลิกไม่มีวันสำเร็จจองเริกหัวเราะเก้อ เ, อ, เออก็ซายเพิ่งจุดประกายไอเดียให้เราเราเพิ่งคิดได้ว่าจะสร้างเครื่องพยากรกรกรมต้องใช้เวลาเราสารวจแนวทางที่เป็นไปได้เสียก่อนนะสิ นัชเลสายหน้าช้าคนคิดเครื่องพยากรกรรมยังโกหกเก่งอยู่เลยขอบใจนะที่อยากให้ซายภูมิใจนึกว่าได้เป็นต้นไอเดียให้กับโครงการใหญ่ของเธอแต่ซายจะภูมิใจกว่าถ้ารู้ว่าเป็นต้นเหตุให้แฟนตัวเองรักษาศีลเป็นจองเลิกหน้าชาปากตีบคอตันไปครู่หนึ่งในที่สุดก็ยิ้มแห้งๆเราเพิ่งเกิดไอเดียเมื่อวานตอนเหยียบเศษแก้วนี่แหละ วันนี้ก็เพิ่งนั่งคิดและรวบรวมข้อมูลเพื่อหาช่องทางและความเป็นไปได้ต่างๆซึ่งตอนนี้ได้แต่ความรู้สึกว่ากำลังเริ่มงานท้าทายยิ่งกว่าแฮกดาวเทียม ER กับอินเทอร์เน็ตทั้งระบบเห็นเข้าความยุ่งยากซับซ้อนและกำแพงหนาทึบ ร, รอบด้านไปหมดเพราะงั้นเรื่องแนวทางนี่ยังไม่ชัดเจนจริงๆเริ่มคิดวันนี้ตอนอายุ17กว่าจะเสร็จงานหรือเป็นรูปเป็นล่างสักครึ่งอาจอายุร่วม70 นานแค่ไหนโลกก็รอได้ชีวิตเธอทั้งหมดอุทิศให้กับงานชิ้นเดียวนี้พอแล้วและไม่จำเป็นต้องทำครบบริบูรณ์1 0อยเปอร์เซนเริ่มไว้แค่ 50% เอร์เซตเพื่อเป็นบันไดขั้นที่ 1, 2, 3สําำหรับคนรุ่นหลังก็ใช้ได้มันไม่สำคัญว่าใครจะทำบันไดขั้นที่10สสำเร็จแต่สำคัญที่เมื่อไหร่สำเร็จประวัติศาสตร์มนุษยชาติได้เปลี่ยนแปลงอย่างถาวรแน่จองเล่กกับพริบตาปริบ คำพูดของแฟนสาวทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นอย่างหนึ่งคือบา ร, รมีของคนคนเดียวไม่มีทางเบี่ยงเบนวิถีของมนุษยชาติโดยรวมได้ทั้งหมดทุกอย่างต้องมีการเริ่มต้นแล้วช่วยกันสานต่อทำนองเดียวกับนักประดิษฐ์คอมพิวเตอร์รุ่นแรกมิใช่ผู้ทำให้ทุกทวีปสื่อสารกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ตเหมือนปัจจุบันแต่นั่นแหละถ้าขาดผู้เริ่มประดิษฐ์คอมพิวเตอร์ ทุกวันนี้ก็จะไม่มีใครก่อสร้างอินเทอร์เนต็ตขึ้นมาได้เลยเราเองก็อยู่ในฐานะนักเก็บข้อมูลมาปฏิบติประตอความจริงมีนักวิทยาศาสตร์ให้ร่องรอยเกี่ยวกับกรรมวิบากไว้เยอะแล้วละ่ะเพียงแต่พวกเขาไม่ได้นิยามว่านั่นเป็นกรรมวิบากเหมือนชาวพุทธเราน้ะเลขยับตัวอย่างสนใจเต็มที่ลองยกตัวอย่างได้ไหมก็เช่นเอาง่ายๆแล้วกันถามทายก่อน สายว่าการตั้งใจออกกําลังนี่ถือเป็นกรรมไหมเด็กสาวคิดนิดหนึ่งก่อนตอบเรียกว่าเป็นกรรมที่ชวนให้เกิดสติเกิดการบริหารร่างกายแต่เอพูดอย่างนี้ดีกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใครตั้งใจไปเล่นเพื่ออะไรด้วยถ้าแค่ออกกําลังเอาเหงื่อเอาสุขภาพก็ถือว่าเป็นกุศลกับตัวเองแต่ถ้าไปด้วยเจตนาจะเอาชนะก็ถือว่าการออกกําลังนั้นนําหน้าด้วยกรรมแบบเบียดเบียน เอาแง่ที่เป็นกุศลกับตัวก่อนก็แล้วกันวิบากที่ได้รับทางกายก็คือกระดูกจะแข็งแรงกว่าคนไม่ออกกำลังแล้วก็ความสามารถชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆเมื่ออายุมากขึ้นแล้ ว, วิบากที่ได้รับทางใจอย่างเช่นตอนเราเล่นแบดกันเหนื่อยๆถึงแม้จะเหมือนอ่อนเพลียบ้างแต่ก็สดชื่นยากที่จะซึมเศร้าเหงาหงอยอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้ว่า เพราะขณะนั้นมีการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ก่อสุขทางกายขึ้นมาต่อให้มีแผลทางกายหรือแม้แต่ทางใจอยู่ก็ช่วยบรรเทาได้เด็กสาวพยักหน้าอย่างนึกออกและเสริมตามประษาผู้หญิงที่สนใจเบื้องหลังเบื้องลึกเกี่ยวกับความงามเหมือนท่าเครียดตอมหมวกไตจะหลั่งสารแอนโดเจนทาให้เป็นสิวแล้วหล่อนก็แย้งเขา แต่อย่างความเครียดเนี่ยเกิดจากนิสัยคิดมากซึ่งเป็นอกุศลกรรมทางใจก็ได้หรืออาจจะเกิดจากความรับผิดชอบภาระหนักหน่วงอย่างต่อเนื่องก็ได้ตัวกระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารร้ายๆอาจเป็นกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาก็ได้ซรายกลัวว่าถ้าเลิกจ้องจะจับร่องรอยทางกายเป็นหลักตั้งผลอาจบิดเบี้ยวและไม่สามารถ เจาอเข้าไปถึงความจริงเกี่ยวกับกรรมวิบากได้ถูกทิศเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ถูกทิศแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไอเดียสำหรับก้าวแรกไงเขาอธิบายอย่างใจเย็นเรากําลังทำความเข้าใจกฎของกรรมวิบากผ่านร่องรอยที่ฝากไว้ในกายมนุษย์ก่อนถือเป็นหลักกิโลแรกและเรากาลังหวังไว้ว่าเมื่อพยายามรวบรวมข้อมูลที่กระจัดกระจายมาประติดประต่อเข้ารูปเข้าร่างได้มากขึ้น ประมาณหลักกิโลที่10บเราอาจพบความเกี่ยวข้องกันระหว่างเจตนากับผลของเจตนาหัวคิ้วของนัำเลย่นลงนิดหนึ่งยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมปัจจุบันเครื่องกวาดภาพสมองสามารถบอกได้ค่อนข้างแม่นยำว่าใครกำลังพูดโกหกใครกำลังพูดความจริงเพราะสมองจะทำงานแตกต่างกันต่อให้สีหน้าสีตาภายนอกแนบเนียนขนาดไหนสมองก็ไม่มีทางหลอกเครื่องกวาดภาพได้ ถ้าเรารู้ได้จริงว่าขณะหนึ่งหนึ่งใครพูดเท็จก็แปลว่าเราจับตัวกรรมชั่วไว้ในมือได้ที่เหลือคือฝอกติดตามดูว่าการที่คนหนึ่งหนึ่งมูสาบ่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเขาบ้างน้ะเลคลายหัวคิ้วออกเริ่มเข้าใจแล้วแต่เดี๋ยวนี้มีการทดลองการวิจัยและการรายงานทำนองนี้ออกม า, มากก็ไม่ได้มีคนสนใจสักเท่าไหร่นี่นะเอาง่าย คำเตือนจากนักวิจัยเช่นสูบบุหรี่เป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษกับสังคมไม่มีผลให้คนเลิกสูบสะแค่ไหนเอาดาราดังมาช่วยรณรงค์ก็แล้วเอารูปปอดเน่าๆของคนเป็นโรคถุงลมโป่งพองให้ดูก็แล้วเอาคนต้องเจาะคอมาพูดเสียงแหบๆให้สติก็แล้วพวกขี้ยาก็บอกอยู่ดีว่าตูจะสูบซะอย่างใครจะทำไมถ้าคิดหรือพิสูจน์อยู่ในกรอบแล้วไม่เวิร์ก็ต้องลองคิดนอกกรอบ จองรล่กล่าวเรา ก, กำลังเอาชนะใจคณะกรรมการผู้ให้ทุนวิจัยอย่างเช่นเราอาจทดลองตรวจจับซิว่ามีคลื่นบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างคนกำลังพูดโกหกบ้างไหมจากนั้นอาจหาทางพิสูจน์ว่าผลของการโกรหกเป็นประจำทำให้เกิดคลื่นชนิดเดียวกันล้อมรอบตัวเขาอย่างหนานแน่นหรือเปล่าและที่สำคัญสุดยอดคือเมื่อความทุกจากการโกรหกเริ่มปรากฏเราจะลองตรวจดูว่า เงากรรมอันเกิดจากการมูสามีสภาพเข้มข้นเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษไหมหนชเลยิ้มออกเพราะเริ่มสนุกคิดและคล้อยตามไอเดียตรงนี้มาจากสัมผัสเมื่อตอนเหยียบเศษแก้วหรือเปล่าจองเลิกพยักหน้าใช่เรารู้สึกถึงความคล้ายคลึงบางอย่างระหว่างตอนคิดแกล้งคนอื่นกับตอนถูกแกล้งเข้าให้บ้างมันเหมือนมองเงาตัวเองในกระจกย้อนเวลานาชเลเม้มปากยิ้ม ในตาทอแสงศรัทธาสกาวใสอย่าให้เครื่องพยากรกรรมของเธอสำเร็จตอนอายุเจสิเลยนะทายกลัวอยู่ไม่นานพอจะทันได้เห็น